เทศในที่ประชุมพระวันที่18กันยายน2505ณวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธา น, นีต่างจิตไว้สะกอนาะการฟังเทศไม่ต้องมาสนใจข้างนอกให้ยิ่ยงกว่า ความกำหนดยู้ไวไภายในใจของตนเองมีเป็นการฟังเทศเพื่อให้รู้รสของพระธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจของตนเลราะการฟังเทศท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าได้รับอานิสง์ทั้งห้าประการซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฟังเทศ เทือนที่จะเป็นผลไปในการข้างหน้านั้นเรียกว่าเป็นผลถอยได้ต่างหากเพราะนั้นข้งองค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมจึงปรากฏว่าพุทธบริษัทเมื่อได้สะดับธรรมจากพระองค์เจ้าแล้วบางรายถึงกับได้ตรัสรู้ใน ที่ต่อประทักของพระองค์เจ้าก็มีจำนวนมากเนื่องจากการฟังเทศโดยตั้งจิตว่าอย่างถูกต้องไม่ได้มุ่งเพื่ออดีตหรืออนาคตอันใดให้นอกเหนือไปจากความรู้ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่เฉ พ, เพาะหน้าเพื่อสดับ รับรอดพระศิธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงในขณะนั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จออกทรงผนวดก็ดีได้ทรงเสด็จออกเพื่อความสนพระไทยอย่างยิ่งและก่อนหน้าที่จะเสด็จออกก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าทรงสนพระไทยอยู่ ตั้งแต่เริ่มเห็นเทวทูตทั้งสี่เป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงวันได้เสด็จออกไปเสียจริงๆพระองค์เจ้าทรงประกอบจิตพันธัที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญพระองค์ปรากฏว่าทรงประกอบด้วยการสนพระไทยอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันได้เสด็จออกที่แรกจนวันได้ตรัสรู้ปรากฏว่าความสนพระไทยของพระองค์เจ้าต่อสมณ ก, กิจที่พระองค์เจ้าจะพึงได้ครับปรากฏว่าสืบต่อกันเป็นลําดับไม่ขาดวักขาดตอนเป็นไปด้วยความเพียรทั้งนั้นแม้สามวกที่ได้สนับ ทำจากพระองค์เจ <unlucky. S 2> ้าแล้วก็มีความสนใจฟังเทศก็ฟังด้วยความสนใจปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความสนใจเรียกว่าออกมาด้วยความสนใจบวชด้วยความสนใจฟังด้วยความสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยู่ด้วยความสนใจไปด้วยความสนใจประกอบจิต การงานใดๆที่เกี่ยวกับธรากิจของบรรดาสาวกทั้งหลายประกอบด้วยความสนใจทั้งนั้นด้วยนั้นผลที่ปรากฏแต่บรรดาสาวกในครั้งนั้นจึงรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันกับบรรดาเราทั้งหลายในสมัยนี้ไม่น้อยเนื่องจากความรู้สึกหรือความสนใจในแง่ธรรม มีความหนักเบาต่างกันอยู่มากเมื่อเป็นเชน่นนี้ผลจะให้เหมือนกันได้อย่างไรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านับตั้งแต่วันได้ทรงประกอบธัมมากิจของพระองค์เจ้าจนกระทั่งวันพระองค์ได้ตรัสรูไม่มีการท้อถอย ในจิตที่พระองค์เจ้าจะทรงบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความสมหวังส่วนปรากฏความสมหวังคือความเป็นศาสดาได้ปรากฏขึ้นในพระสายเสียแล้วการใดการนั้นถ้าหากว่าจะเทียบอุปมาแล้วก็เป็นการที่พระองค์เจ้าทรง รเครื่องรบสถทีหนึ่งแล้วก็นำเครื่องรบที่พระองค์เจ้าได้ทรงสมหวังมาประกาศแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายกลายเป็นสาว ก, วกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเบืองตนพระองค์เจ้าเสด็จออกไปก็อยู่ในป่าในเขา ไม่ทรงสนกษัตริยกับใครทั้งนั้นแม้ที่สุดการแผ่นดินที่พระองค์เจ้าทรงปกครองให้บรรดาไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งพระวารมีของพระองค์เจ้าก็ไม่ทรงทรงเป็นอารมณ์หรือห่วงใยในความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่เขา เเป็นฆราวาสมีความขามักขม้นมีความอาหารมีความอดความผนไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระศ า, าสดาของเราไปได้การกระทำก็ยิ่งกว่าโลคบรรดาโลกทั้งหลายไม่มีความสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์การเสด็จออกก็ผิดแปลกกับ โลกการกระทำก็ผิดแปลกจากโลกเมื่อเวลาผลได้ปรากฏจึงแปลกต่างจากโลกจนกลายเป็นคนละโลกทั้งๆ ท, ที่พระองค์เจ้าทรงมีเพื่อกายเช่นเดียวกันกันกบโลกใจคือความรู้สึกเช่นเดียวกันกับโลกทั่วๆไปก็ตาม แต่ใจกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าขึ้นมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทธโธขึ้นมาทั้งดวงในพระทัยของพระองค์เจ้านี่ผลที่ปรากฏก็ต้องแตกต่างจากโลกเพราะการกระทําของพระองค์เจ้าไม่ได้เหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่ทําำๆกันแม้สาวกทั้งหลายที่ได้ออกบวชตามพระองค์เจ้าแล้ว พอพระองค์ได้ให้พระโอวาทวา่าลุกขมูลราเสนาสนังนิซาญะ ป, ปปชาเตยามะจีวังอุซ่าหูกรณีอยู่เพียงเท่านี้บรรณาสาวกทั้งหลายรู้สึกมีความยิ้มแย้มพออกพอใจพูดง่ายๆก็ว่าโน้นภูเขาโน้นป่าที่โลกทัก โน้นชายเขาน้นซอกห้วยโ น, น, น้นลำธานโน้นเงื่อมผาจงพากันไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราตถาคตได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธทเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความคุกขีไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความเอื้เกลืกเหา แม่ตรัสรู้ขึ้นมาเพราะความลื่นเดิงบันถึงตามกระแสะแห่งตัณหาคือความทะเยอทยานหรือความเสื่อมการของตนเองซึ่งเป็นไปเพราะอํานาจแห่งชี้เลียดเป็นเครื่องถุดลากไปเราตถาคตได้ตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นได้ประกอบความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นได้อุตสาห์พยายามตีกจากบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายจากปราสาทหรือจาก บ้านจากเมืองมาสู่สถานที่เช่นนั้นตถาคตทุ ก, ก็ทุกเพื่อความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในหอปราสาทตถาค ต, าาาคตไม่ได้ตรัสรู้ในทางทางสามแพร่งสีแพ่งตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในร้านตลาดพระตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในถ้ากลางแห่งสูงชน พระถาคตได้ตรัสรู้ในที่อันเงียบในที่สงัดในที่มีมเวกในที่ไม่ปราศจากสูงชนซึ่งจะมาพุกพลานพระองค์เราตถาคตเราต ถ, ถาคตได้ถึงความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็เห็นนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงไปที่ที่เราต ถ, ถาคตชี้บอกวันนั้นภูเขา นั่นชายเขานั่นถ้ำนั้นที่แกล้งนั่นลองฟางนั่นเป็นที่วิเวกทั้งนัตนั่นเป็นที่ไม่วุ่นวายไม่กังวลกับสิ่งกอกวนทั้งหลายที่จะเอื้อมเข้าไปถึงสถานที่เช่นนั้นใครๆเขาไม่ต้องการให้บรรดาเธอทั้งหลายจงไปสถานที่เช่นนั้นราตถากตได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเพราะที่เช่นนั้น ถ้าเธอพวกเธอทั้งหลายต้องการเป็นผู้หมดจดพ้นทุกข์ไปตามเราสถาคตแล้วจงไปอยู่ตามสถานที่ที่เราสถาคตที่บอกอนุศาสตร์พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศหรือทรงประทานไว้อย่างนี้ให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับได้รับเอาเดิมความพออกพอใจอย่างเต็มที่มินิยาโลปโภทนางก็เช่นเดียวกัน เบญทมาทแล้วพวกเธอทั้งหลายอยากมาบวชในพระศาสนาแล้วเธอทั้งหลายอยากึกความเกียรติการเบญธบาทมาฉันได้มาด้วยกำลังกรีแข้งของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจบรรดาจัทธานญาติโยมทั้งหลายก็ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเราบินเบญทบาทมาฉันตามอริยปรเพณีหรือตามสมณะประเพณี ซึ่งปราศจากการซื้อการขายการทำไน่ทำนาทำรั้วทำสวนเหมือนอย่างประชาชนเป็นผู้วชเข้ามาในพระศาสนาจงถือการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำเรียกว่าเป็นทางแห่งอาชีพของเธอทั้งหลายจงอุตสาห์พยายามทำอย่างนั้นตลอดชีวิตแม้หากว่าทราบหรือเปลือซึ่งจะพึงเกิดพึงเกิดพึงซึ่งจะพึงเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นคราวเป็นสมัยที่จะ สึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชุแต่ยาทำตนของตนให้มีความประมาทในลาบสักการะทั้งหลายเมื่อได้ทำความประมาทในลาบสักการะแล้วจะกลายเป็นว่าสักการโรบุริสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าบุรุษทุ่งโง่ให้ชิบหายหรือให้ตายไปเสียพระทาโคตท่านที่บอกอย่างนี้ ในข้อที่สามหรือข้อต้นว่าจีบอนให้ถึงหาสแสวงหาเอาตามป่าช้าหรือทางที่ในฐานที่ใดๆก็ตามซึ่งเขาทอดทุระในความเป็นเจ้าของแล้วให้จับมาประติประตอแล้วประชุนพอได้ รองชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้ขหาพติจีวรที่เขาถวายด้วยมือก็าไมาพ่พึงปฏิเสธเพราะเราเป็นคนขอทานเป็นคนเลี้ยงง่ายคึงรับนาบริโภคใช้สอยเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งที่ลานปัจจัยก็เหมือนกันคือยาแก้ไข แต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงเรื่องฉันยาดองด้วยน้ํามูดจะเป็นครับข้าป้อมก็ตามสมอก็ตามหรืออะไรก็ตามท่านบอกว่าแค่ด้วยน้ํามูดและวมาฉันเป็นยาบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้ฟังจากพระองค์เจ้าแล้วหรือได้สะดับจากพระองค์เจ้าแล้วน้อมรับไปเพื่อประพฤติธปฏิบัติด้วยความเต็มอกเต็มใจ อยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายไม่คำหนึง่งแม้จะออกมาจากตระกูลต่างๆมีตระกูลเศรษฐีกระดุมพีรึบพยามหากษัตริย์เป็นต้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ออกมาจากตระกูลเช่นนั้นก็ไม่ได้นำตระกูลเช่นนั้นเข้ามาแทรกสิงภ า, ายในจิตใจให้เป็นทิฏฐิมานะ พอที่จะตําหนิติดโทษในสถานที่อยู่หรืออาหารปัจจัยซึ่งบรรดาญาติโจมทั้งหลายก็ให้ด้วยศรัทธาตามกําลังความสามารถของเขาที่จะหามาได้แล้วให้ทานไปมีความยินดีทั้งอาหารทุกประเภทเว้นเสียแต่ว่าจะผิดจากสมณบริโภคคือจะกบฉันหรือใชสอยไม่ได้นอกจากนั้นแล้วสามองทั้งหลายเป็นที่พอใจในเจตุปัจจัยทยาทานที่บรรดาทา ย, ยกทายิกาทั้งหลายให้มาด้วย น้ำใสใจศัทธาอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นมีความสนใจต่อความภาคความเพียรมีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติและมีความสนใจในที่วิเวกทั้งัดซึ่งไม่พุกงขั้นด้วยฝูงทนมีความเพียรติดต่ออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน นี่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านทำอย่างนั้นแล้วมีความสนใจต่อความเพียรของตนอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นสิ่งภายนอกหรือกิจการภายนอกว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการที่จะแก้ไขหรือบำเพ็ญตนของตนให้พ้นจากทุกบรรดาสาวกทั้งหลายเห็นความพ้นจากทุกเท่านั้นว่าเป็นธรรมล้นค่าไม่มีอันใดที่จะมีราคา เท่ากันกับความพ้นทุกข์ที่สาวกทั้งหลายได้ตั้งเจตนาเอาไว้เพราะนั้นเมื่อเข็มทิดลึกความมุ่งมั่นของใจได้ตั้งไว้อย่างเต็มที่เช่นนั้นแล้วเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือความเป็นกษัตริย์ซึ่งออกมาจากตระกูลแห่งกษัตริย์ก็ดีทิฏฐิมานะที่จะเกิดขึ้นจากความเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ดีทิฏฐิมานะที่จะเกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของตน ว่าได้ศึกษาเร้เรียนมามากก็ดีสามกทั้งหลายไม่ยอมให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปเครือบแฝงในจิต ใ, ใจได้นอกจากจะมีความสนใจใคลไลต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยกจิตของตนให้พ้นจากทุกข์ไปดำดับโดยลำดับลาดับเท่านั้นจนปรากฏได้ตรัสรู้ตามพระองค์เจ้านับตั้งแต่องค์แรกจนกระทั่งถึงองค์สุดท้าย ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านได้ปฏิบัติรือดำเนินมาอย่างนั้นขอให้บรรดาเราทั้งหลายได้นำเรื่องของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกซึ่งท่านดำเนินอย่างใดจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจปรากฏเป็นที่เด่นเก็บโลกทั้งหลายให้เลยนับสาระบูชานับตั้งแต่เทวดาจนกระทั่งถึงมนุษย์ทุกชั้นไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถความฉลาด ความประเสริฐเลินโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับพระธทรรมเนี่ยพระสงค์ไปได้นี่ธรรมชาติที่ประเส ร, ร, ร, ร, ร, ร, ริฐเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ประเสริฐความรู้ที่ประเสริฐก็เกิดขึ้นมาจากการกระทาที่ประเสริฐขอให้บรรดาเราทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้ความทอดแท้อนแอความเห็นแก่ปาแก่ท้องความเห็นแก่หลับแกนอน ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐพอที่จะสามารถยังทำอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นในมนทษวารคือหัวใจของเราได้ให้เราพรงเทียบถึงเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสาวกมาไว้ที่ดวงใจของเราเสมอไปการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนทุกๆอาการทของเราที่เคลื่อนไหวในเอียบททั้งสี่พึงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อเหตุผลและสนใจในความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาอย่าให คล้องแวะในสิ่งใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความเนื่นช้าที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นมนถินแก่กายวาจาใจของตนจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อความวิเวทใคร่ต่อความภาคความเพียรใคร่ต่อความอยู่คนเดียวทั้งเรื่องกายทั้งเรื่องจิตใจสองกับความเพียรลึกเท่านั้นให้เป็น ผู้มีความเพียรอยู่อย่างนี้มีเข็มทิดหรือความมุ่งมั่นตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ทุกข์กกขณะจิตหรือทุกข์ทุ ก, ทกิยาบทที่เคลื่อนไหวผลที่จะพึงได้รับจะหนี้จากความเป็นเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกไปไม่ได้เพราะทางเป็นทางสายเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปรพระพุทธเจ้าไม่ทรงประทานไว้เพื่อขัดนอกจากจะประทานไว้เพื่อเราสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโว ตลอดถึงสัมมาสมาธิพึงทราบว่าเป็นมรดกที่พระองค์เจ้าได้ประทานไว้สําหรับพวกเราทั้งหลายเท่านั้นเมื่อเราได้ดําเนินตามร่องลอยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ ต, อตลอดถึงสถานที่หรือวิธีประกอบตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องตน้นว่าลูกขมูลแเสนาสนังเป็นต้นเมื่อเราทั้งหลายได้ดําเนินตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้ว ผลที่จะพึงได้รับเราท่านทั้งหลายไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นผู้พ้นทุกข์นอกจากความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นในหลักธรรมชาติคือความบริจุดแห่งใจของตนเพราะเหตุแห่งปฏิบัทาที่ดําเนินโดยถูกต้องตามแนวทางของพระองค์เจ้านอกจากนั้นจะไม่มีอะไรจะมีธรรมชาติคือทองทั้งแท่งจะปรากฏขึ้นที่ดวงใจของเราให้เราท่านทั้งหลาย สำเนึกตัวเสมออย่างนี้เดินก็าตามนั่งก็าตามยืนก็าตามนอนก็าตามเว้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นของเหลือวิสัยจงเป็นผู้มีความใคร่ต่อสติใคร่ต่อปัญญาใคร่ต่อความเพียรของตนเสมอไปเรื่องความพ้นทุกข์นั้นท่านทั้งหลายจะปรากฏขึ้นที่จิตใจของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจใลร่ต่อการปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยมี่เรื่องความพระพุทธเจ้า การฟังธรรมในครั้งพุทธการตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบ่งบกฟังด้วยความสนใจจริงๆฟังแล้วก็ฝังลงที่จิตไม่เชื่อไม่ใช่แบบฟังแล้วปล่อยให้เลี่ยราดหรือสักแต่ว่าเป็นพิธีมาสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆแม้แต่เราผู้ที่เป็นนักบวชอยู่ณบัดนี้<ม>ก็ยังจะกลายเป็นพิธีถ้าหากว่าเราไม่สนใจ หรือมีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกโดยเต็มที่แล้วกิจยาอาการที่ทํามันจะกลายเป็นพิธีโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็พอเป็นพิธีตาม เ, มเวลาที่เราทํำตอนนั้นแต่เรื่องของจิตจะสัมพยุต ด, ด้วยความภาคความเพียรที่ตนมุ่งไว้บ้างหรือเปล่าข้อนี้เป็นข้อที่สงสัยเมื่อเป็นชัยนั้นผลที่จะพึงปราบปขึ้นมาให้เราได้รับก็กลายเป็นอื่นไปได้เพราะเหตุใด เพราะเราทั้งๆ ท, ท, ที่เราว่าเร า, เราว่าเราเดินจงกรมแต่จิตกลายเป็นอื่นไปนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรหลักธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มิสติที่จะต้องพิจารณาในประโยคพยายามของตนตนจะพิจารณาในธรรมบทใดก็าตามหรือเราจะกําหนดในเรื่องธรรมบทใดก็าตามไกลกรองอยู่ในธรรมบทใดก็าตามถ้าจิตข้างเราไม่ได้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลํำดับในบทธรรมนั้นๆ ปล่อยให้จิตทั้งเราเพ่นผ่านรื้อเร่ร่อนไปสู่สถานที่ที่ไม่ถูกหลักธรรมแล้วนั่นแสดงว่ากระแสของใจเราไปสู่ความเป็นอื่นแล้วจิตทั้งเราไปสู่ความเป็นอื่นแล้วผลด้วจะพึงได้รับก็ต้องผิดจากความเป็นธรรมกลายเป็นความเป็นอื่นไปเสียทีนี้ถ้าว่าเราไม่ได้พิจารณาสนใจในเรื่องความเคลื่อนไหวของเราเราถือเอาตั้งแต่ประโยคที่ เจตนาเบื้องต้นว่าเราทําความเพียรเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไปตําหนิตีโทษพระศาสนาว่าทำมาำําสังสอนของพระพุทธเจา้าไม่เป็นนิยานนิกระทำคือไม่สามารถที่จะยังบุคคลผู้ประพฤติทำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงสมกับที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าสวัสขาธรรมคือทำที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี่แท้ที่จริงกระแสะแห่งใจของเราตลอดทั้งวันทั้งคืน เอ็นเอียงไปจา ก, กจิตใจสู่กระแสของโลกเสมอไปนี่โลกนั้นพึงทราบว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากธรรมที่พระองค์เจ้าทรงมุ่งหวังการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมุ่งไปเพื่อหลักธรรมมุ่งไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นประโยคพยายามทุกๆประโยคจึงเป็นไปเพื่อความแก้ไขสิ่งที่เป็นมลทินแก่ตนเองแม้จะมีอยู่พังภายในกายวาจาใจ ก็ต้องพยายามชำละสะสางจนกระทั่งถึงให้หมดไปไม่มีอันใดเหลือนี่ก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในพระองค์เองและกลายเป็นธรรมล้นล้วนขึ้นมาในบรรดาสาวกทั้งหลายและจากนั้นก็กลายเป็นชนะของพวกเราอย่างบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาได้นี่ท่านถึงความเป็นธรรมเพราะท่านประกอบด้วยธรรมเราทั้งหลายเดินจริงเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งจริงแต่ก็กลายเป็นสมาธิหวัวต่อหลับในสมาธิไม่รู้กี่ครั้งกี่หน หรเลยกลายเป็นเรื่องประจําก็อาจเป็นได้ในบางรายตอนนี้ก็ไม่รับรองสําหรับผู้เทศแต่เรื่องคงเป็นความจริงอย่างนั้นผลจึงกลายเป็นอื่นเสมอไปถ้าเหตุเป็นเรื่องของธรรมแล้วผลจะกลายเป็นอื่นไปไม่ได้เหตุกับผลต้องเป็นเงาเทียมตัวเสมอไปเพราะเหตุใดจรึงว่าอย่างนั้นเราเหตุที่เราทําให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แทนที่เราจะเดินจงกรมให้สำปรยุทธ์ด้วยสติสำปรยุทธ์ด้วยความเพียรสำปรยุทธ์ด้วยบทธรรมหรือสภาวะที่เราเคยพิจารณาจิตรายเป็นอื่นไปเสียส่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสแม้ธรรมรมภายในใจเกิดขึ้นตรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งที่เป็นส่วนอดีตและยังมุ่งในส่วนอนาคตไม่ปรากฏจิตเป็นปัจจุบันสักครั้งสักทีเลยอย่างนี้ ผลจะเป็นอย่างไรเล่าผลก็ต้องเป็นโลกเสมอไปเพราะกระแสของจิตทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นโลกอยู่ตลอดเวลาเมื่อผลก็ต้องปรากฏเป็นโลกขึ้นมาได้แก่เรื่องของสมไทยทําหัวใจของตนให้เดือดร้อนแล้วก็มาตําหนิติเตียนผลว่าทําไมจึงเกิดความเดือดร้อนวันนี้ไม่สบายตนของตอนก่อเหตุทั้งวันทั้งคืนเพื่อความไม่สบายไว้และเพื่อความเป็นอื่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คำหนึ่งถึงนี่เป็นของสําคัญอย่าง เพราะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติพึงเป็นผู้มีเข็มทิศ ต, ตั้งไว้เสมอกับความเคลื่อนไหวกายมาจ่าใจของตนอยากให้มันเคลื่อนคาดเพื่อความมีสติตเข็มทิศที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นคือมุ่งความพ้นทุกพระองค์เจ้าสอนอย่างไรตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นโน้นที่สังกัดโน้นที่วิเวทท่านไม่ได้สอนคำว่านั้นตลาดนั้นถนนสี่แผงสามแผงจงเข้าไปกลางกรดกลางมุ่งอยู่ในฐานที่นั้นพระองค์เจ้าไม่ได้สอน เราก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องเหตุผลที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนว่าลูกขมูลเช่นอาสนังมีความหมายว่าอย่างไรนี่ต้องมีเหตุมีผลบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงประทานธรรมะข้อไหนไว้ต้องเป็นหลักความจริงที่จะยังผลประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ดำเนินเสมอไปเพราะเหตุนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้ากับเรื่องของสาวกจึงเป็นเรื่องที่แตก เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ตั้งแต่ประโยคเบื้องต้นคือการกระทำซึ่งเป็นตัวเหตุก็เป็นของพระเสด็จหรือเป็นของแปลกว่าบรรดาเราทั้งหลายอยู่แล้วผลจะไม่แปลกประหลาด้าอย่างไรเราให้เราคิดอย่างนี้ศานา ที่ท่านเป็นครูสอนเราในเบื้องต้นก็ดีอันดับต่อมาก็คือก็ครูบาอาจารย์เป็นผู้พร่มสอนเราทั้งสองอาจารย์นี้เป็นอาจารย์นอกท่านจะสอนได้เป็นบางการบางสมัยสำคัญที่สุดตนของตนต้องเป็นครูสอนตนเอง เบืองซ้ายแนวขวาต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปความเคลื่อนไหวทุกอาการจะต้องกระเพื่อมถึงครูคืหอหัวใจเสมอเราต้องสนใจอย่างนี้ไม่แค่นั้นจะเอาตัวไปไม่รอดแล้วจะเสียวันเสียคืนไปเปล่า ยาพึงทราบว่ามืดกับแจ้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กับวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นของแปลกประหลาดเป็นมืดแจ้งอันเดียวกันนี้กิเลสอาสะวะไม่ได้เกี่ยวกับมือวันปีเดือนเกี่ยวกับหัวใจของเรากับสิ่งแวดล้อมที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่นั่นเองเป็นของสำคัญจงพินิจพิจารณาไปไหนให้มีอาจารย์หรือให้มีศาสา สอนตนเสมอไปนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีทุกอาการที่เคลื่อนไหวจงหยัดทําตนของตนให้เป็นผู้ลืมตนให้เป็นผู้มีสติเสมอความสงบของใจก็ดีความแยบคายหรือความรอบคอบความฉลาดของใจก็ดีจะ ค้นไปไม่นายหลักของสติหลักของปัญญาหลักของความเพียรเป็นรั้วกัน้นหรือเป็นธรรมประกันไม่แล้วขอแต่เราดำเนินในกรอบแห่งสีแห่งสมาธิแห่งปัญญาด้วยความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ขึ้นจากหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใคร ไม่ว่าสมัยโน้นกับสมัยใหมนี้หรือสมัยใดๆเมื่อสวาขาตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่ด้วยผู้สนับสนังหรือศึกษาเราเรียนจากสวาสวาาตธรรมมาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสนใจให้ถูกตามหลักธรรมที่พระ อ, องค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วด้วยผลจะถึงความเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องถึงความพ้นทุกข์ให้ประจักษ์กับหัวใจของเราขอให้เราทั้งหลายได้ทราบใกล้ๆอย่างนี้ไม่เช่นนั้นจะเลี้ยวไหลไปทุกวันทุกวัน หาอะไรปรากฏผลไม่มีสติเราตั้งเมื่อไรก็ปรากฏเมื่อนั้นปัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นของที่จะหาค้นคว้ามาจากที่ไหนให้ยังลําบากยากเย็นเหมือนอย่างเราไปแสวงหาวัตถุภายนอกมีใกล้บ้างไกลบ้างไกลบ้างต่ำบ้างสูงบ้างเป็นของลำมาก ส่วนเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญามีโยกับหัวใจของเราถ้าเป็นนักให้ายามตั้งสติอยู่เสมอให้ายามค้นคว้าด้วยปัญญาในสภาวะธรรมมีกายของตนเป็นต้นอยู่เสมอความรู้สึกแปลกประหลาดความเยกผายเรื่องสติเรื่องปัญญา จะค่อยมีความรู้สึกหรือความรอบครอบขึ้นเสมอเมื่อเราพยายามบำรุงอยู่ไม่ให้ขาดวักขาดตอนในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าเราได้ทำความเพียรทั้งเราให้ขาดวักขาดตอน นั่นก็ขึ้นอยู่กับเราความร่าช้าในผลที่จะพึงปรากฏประจักษ์กับใจของเรานั้นสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความเพียรในบางตนก็ขึ้นอยู่กับการสดับฝังจากครูจากอาจารย์มีเฉพาะนักปฏิบัติของเราไม่ได้พูดทั่วไปเมื่อเราได้ฟังโอวาจากท่านโดยถูกต้องแล้ว นำคำสอนจากท่านไปประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจวิสาพยายามบำรุงสติและปัญญาของตนให้มีความรอบตัวอยู่เสมออย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิที่ความมั่นคงของใจจะเป็นไปเพื่อความเฉีเฉลียวฉลาดในทางปัญญา ขึ้นเพราะเหตุแห่งการพิจารณากายของเราหรือพิจารณาเวทนาจิตธรรมของเราหรือพิจารณาอาริยสัจจะทำคือทุกสมูทายนี้โรดมากท <c oughs> ำที่ว่าอาริยสัจจะทำทั้งสี่ไม่ใช่ทำเป็นแดนหแห่งอดีตเป็นแดนแห่งอนาคตแต่เป็นธรรมปัจจุบัน ปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาส่วนที่จะแยกให้เป็นส่วนอดีตก็หมายถึงส่วนที่ล่วงแล้วของใครๆก็ตามแม้ของเราที่ผ่านมาแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกก็ตามแต่ความเป็นอดีตนั้นไม่สามารถที่จะมาทาลายความเป็นปัจจุบันซึ่งเราตั้งอยู่นะบััดนี้ในอรรยศัพทธรรมทั้งสีนี้ให้ขาดสูญไปได้เพราะนั้นอริยศัพธรรมจึงเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งกาหนดลงที่ ตรงนี้ความผิดหวังจะไม่มีแก่เราทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตของเราให้พลาดจากหลักแห่งอริยสัจจะทำหรือสติปัฏฐานสี่นี้ไปแล้วนั่นแหละเมียกว่าเราพลาดทางเหตุแล้วผลก็ต้องเป็นสิ่งที่จะพลาดไปด้วยกันเพราะผลกับเหตุจะต้องสวมรอยกันไปจะแยกจากกันไปเป็นอื่นไม่ได้ ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้สามมาทิติความเห็นชอบมีหลายชั้นสามมาทิติททั่วไปสำหรับผู้ใกล้ต่อพระศาสนาได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนก็เป็นชั้นชั้นสามมาทิติในวงปฏิบัติคือวงนัก บ, บวชของเรา ผู้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะบุดค้นด้วยปัญญาในสภาวทั้งหลายให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในภานัยจิตใจของตนสัมมาทิฏฐินี้ก็จะแปลสภาพขึ้นสู่ความละเอียดแม้จะเป็นคราวาสก็ตามถ้าเป็นผู้ใค่ต่อหลักธรรมพินิจพิจรารณาในวงแห่งอริยสัจจะทำนี้แล้วสัมมาทิฏฐิไม่ขึ้นอยู่กับคราวาสหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักบวช ใดๆทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติขึ้นอยู่กับผู้นําไปพินิจพิจรารณาสมาธิทิความเห็นชอบเราเห็นว่ากายของเรา this เป็นก้อนทุกทั้งกายหรือทั้งท่อนก็เป็นสมาทิเห็นไม่เที่ยงประจักษ์กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงขั้นละเอียดก็จัดเป็นสมาธิิแต่ตามขั้นของสมาธิิความเห็นชอบเห็นชอบส่วนหยาบพิจารณาส่วนหยาบ เห็นชอบส่วนกลางเกิดขึ้นจากการพิจารณาส่วนกลางเห็นชอบส่วนละเอียดเกิดขึ้นจากการพิจารณาสภาวะส่วนละเอียดนี่จัดเป็นสมาทิฏิเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสมาทิฏิจะมีเพียงชั้นเดียวถ้าสัมมาทิฏิมีชั้นเดียวแล้วปัญญาจะมีหลายชั้นไปไม่ได้แต่นี่เพราะเหตุใดปัญญาจึงมีหลายชั้นเพราะกิเลสมีหลายชั้นปัญญาก็ต้องมีหลายชั้น เพราะเห น, นั้นสัมมาทิฏฐิจึงมีหลายชั้นสัมมาสังกปก็เหมือนกันให้พึงทราบอย่างนี้ท่านกล่าวไว้ย่อๆว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนละเอียดแล้วเห็นชอบในส่วนทุก์หรือรู้ชอบในส่วนทุกรู้ชอบในในส่วนตะมูทไถท รู้ชอบในส่วนมรรครู้ชอบในส่วนนิโรธมีเรียกว่าสมมาธิทีิส่วนละเอียดสัมมาสังกัปปะก็คึงเทียบกันได้อย่างนี้เป็นชั้นๆเหมือนกันสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโรก็เป็นชั้นๆมีสามชั้นสามชนเหมือนกันสัมมาวาจากล่าวชอบธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็จัดว่าเป็นสัมมาวาจา สัมมาวาจาที่กที่ชอบยิ่งสำหรับสมณมะของเราแล้วกล่าวถึงเรื่องสันเลขาคาถากล่าวถึงเรื่องความมากน้อยกล่าวถึงเรื่องความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแข่งปัจจัยทั้งหลายกล่าวถึงเรื่องอสังสักนีกาความไม่คุกคลีวุ่นวายกับใครๆทางนั้น ยิ่เวกตากล่าวถึงเรื่องความสัณวิริยาลำมพากล่าวถึงเรื่องการประกอบความภาคความเพียกรกล่าวถึงเรื่องศีลกล่าวถึงเรื่องสมาธิกล่าวถึงเรื่องปัญญากล่าวถึงเรื่องวิมุตและกล่าวถึงเรื่องวิมุตติยานัทนะความรู้เห็นความอุดพ้นของตน นี่เรียกว่าเป็นสมาวาจาที่ชอบแท้เป็นสมาวาจาส่วนละเอียดกล่าวนั้นไม่ใช่กล่าวเฉยๆก่าวลาพันธ์กราวดาวพึงกล่าวด้วยความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติในสันเลขธรรมซึ่งเป็นทำขัดเครื่องขัดเ้าขัดเกล้ากิเลสให้หมดไปจากใจของตนจริงๆนี่เรียกว่ากราวด้วยความสนใจ กล่าวด้วยความพ อ, ออกพอใจใครที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใครที่จะนําธรรมะทั้งสิบประการนี้ให้เข้ามาเป็นสมบัติของตอนนี่สามากัมมันโตก็การงานชอบเดินจงกรมก็เป็นการงานชอบบินธบาตมากบมาฉันก็เป็นการงานชอบนั่นเป็นชอบประเภทหนึ่งการงานชอบที่แท้จริงการเดินจงกรมการนั่งสมาธิ ทุกๆอาการเป็นไปเพื่อถอดถอนวิเดพาชว์ออกจากใจของตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจทุกทิ้นพึงทราบว่าเป็นกรรมแปลว่าการกระทํากระทําด้วยกายก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่ากรรมคือการกระทําคิดทางใจก็เรียกว่ากรรมอาการแห่งการกระทําทั้งกายวาจาใจนี้เองเรียกว่า การกระทาเราทำผูกถูกพูดถูกคิดถูกเรียกว่าเป็นธ ร, รมมากรรมันต์การงานชอบสำหรับพวกพวกเราให้เป็นโอปนญยิโกเสมอไปในธรรมะทุกบททุกบาทที่ได้นำมาแสดงยาพึงทราบว่าท่านสอนใครให้พึงทราบว่าสอนเราคนเดียวแล้วก็ น, น้อมเข้ามา ความเป็นธรรมของเราคนเดียวด้วยนี่จึงเป็นการถูกต้องเพราะผู้เทศไม่ได้มุ่งเทศให้เป็นการกระทบกระเทือนไม่ได้มุ่งเทศเพื่อจะตำหนิติชมท่านผู้ใดทั้งนั้นแต่เทศในหลักเหตุผลเพื่อท่านผู้ฟังหรือผู้ชอบในหลักเหตุผลหรือผู้สนใจในหลักเหตุผลอยู่แล้วจะได้น้อมธรรมะซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลนั้นเข้าไปเป็นเครื่องชำระจิตใจของตอนเอง การฟังธรรมะให้ฟังอย่างนี้ให้น้อมเข้ามาอย่างนี้ในธรรมะทั้งหมดในเมื่อผู้ฟังฟังด้วยความเป็นธรรมผู้เทศเทศด้วยความเป็นธรรมแล้วแจกลาวธรรมะที่ตามสุดเท่าไหรก็ตามก็เป็นธรรมะที่สูงสุดได้แจกลายธรรมะที่สูงหรือปานกลางก็กลายเป็นธรรมะที่สูงเป็นเครื่องบำรุงน้ําใจของผู้ฟังเป็นประโยชน์สําหรับผู้เทศมุ่งด้วย ทำเป็นธรรมแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งสองฝ่ายไม่เป็นการผิดเพราะหลักธรรมทั้งหลายเป็นการสอนบุคคลให้พ้นจากความผิดไปท้งนั้นแม้จะกราดทาขั้นยาบที่โลกสมมติยิยมว่าไม่ดีเป็นเครื่องแสดงหูแสดงใจก็ตามแต่หลักธรรมชาติของธรรมะที่เห็นว่าที่ว่าต่ำๆ่ำนั้นเป็นสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ขยักขยง ดูด้วยการไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินกระทํากันอยู่ทั่วแผ่นดินนี่ให้เราพิจารณาได้อย่างนี้พิจารณาให้ทราบชัดอย่างนี้เพราะนั้นการแสดงธรรมจะเป็นการแสดงสูงต่ำํำก็ตามเมื่อผู้แสดงมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำแก่บรรดาท่านผู้ฟังหรือมุ่งประโยชน์แต่บรรดาท่านผู้ฟังแล้วบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงน้อมให้เป็นโอปัญญีโกเป็นเครื่องข้ามสอนตนเองอย่าเห็นว่าท่านสอนใครหรือตำหนิติดโทษ บุคคลผู้ใดใครทั้งนั้นให้เห็นว่าความผิดจะเป็นส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นของที่มีอยู่กับกายวาจาใจของเราด้วยกัน ท, ก ท, กทุกท่านและเป็นผู้ผ่านไปด้วยกรรมประเภทนี้เหมือนกันหมดในโลกอันนี้นมีได้อธิบายถึงเรื่องสัมมารกรรมมันตักการงานชอบเป็นชั้นๆเขาทํามาหาเลื่องขีพก็จัดว่าเป็นการงานชอบในชั้นนั้น เราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณ า, า, า, าแก้ไขตนหุกตนออกจากสิ่งมัวหมองคือทีเด็ดอาสวะก็จัดว่าเป็นสัมมากรมมันต์สัมมาสมมาอาชีโวเลี้ยงคีพชอบเลี้ยงอย่างไรเลี้ยงคีพก็มีหลายชั้นเราไม่ได้ฉกได้ลักต้นสะดมของใครใครหาได้มาอย่างไรก็ตามกำลังความสามารถของเราที่หามาได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง วันหนึ่งวันหนึ่งหรือจนได้ซื้อได้ขายมากมายเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อหามาด้วยดยความชอบธรรมก็มเรียกว่าสัมมาอาชีโวแต่ย่นเข้ามาอีกให้เป็นสัมมาอาชีโวส่วนละเอียดให้สมกับเป็นผู้มุ่งต่อทำอันละเอียดแล้วสัมมาอาชีโวนี้หมายถึงเลี้ยงขีบ้บำรุงจิตใจของตนด้วยความเป็นธรรมอย่านําโลกซึ่งเป็นยาพิษเข้ามารังควานหัวใจ ปากระทบสูบหูกระทบเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัส ท, ทุกทุกชิ้นทุกทุกอย่างให้พึงพิจารณาเป็นธรรมเสมอไปความพิจารณาเป็นธรรมจะนำอาหารคือโอชารสแห่งธรรมนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีความชุ่มชื่นด้วยควา ม, ม, า ม, มสงบให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยสมาธิ ด, ด้วยปัญญาของเรา มีเรียกว่าการเลี้ยงขีดชอบเลี้ยงขีพอย่างนี้เป็นชั้นหนึ่งคือไม่ทําใจของเราหรือไม่แสวงใจไม่แสดงหาอารมณ์ที่เป็นพิษมาสั้งหารจิตใจของตนเองมารังควานจิตใจของตนเองให้มีตั้งแต่ทําเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอกระทบตาตากระทบตาหูจมูกจีนกายกระทบผู้เสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสให้พิจารณาเป็นธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจ อย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องของโลกอย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องอยาพิษเข้ามาเบื่อตอนเองเข้ามาตังหารตนเองนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวสัมมาวายามโมเพียรชอบท่านบอกว่าเพียนในที่ในที่สี่สถานคือว่าพยายามระวังอย่าให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในกายมารยาใจของเราได้ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามแก้ไขให้ได้ ครับสิ่งคงามความดีหรือความสงบของใจความแย่พายของปัญญาซึ่งเคยเป็นของที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของเราพยายามรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สมาธิเสื่อมอย่าให้ปัญญากลายเป็นเรื่องความโงกเขาไปนี่แล้วพยายามระวังรักษาอยู่รอบด้านไม่ให้เสื่อมสูญไปในส่วนธรรมะ ตั้งแต่ขั้นสมาธิทุกๆขั้นจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดไม่เสื่อมไมห่หายไปจากจิตใจให้เป็นสมบัติอันได้แล้วเสมอไปแล้วสามพยายามหาสมบัติใหม่เข้ามาเพิ่มเสมอนี่ท่านเรียกว่าสัมมาวายามะเพียงในในที่สี่สถานนี่อธิบายถึงเป็นธรรมตาโดยมาก ถ้าจะเทียบตามบทตามบาลีแล้วก็ลำบากนี่เทศเป็นเรื่องของกรรมฐานล้วนๆขอให้พิจารณาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในธรรมะที่กล่าวมานี้ทั้งหมดไม่ได้นอกเหนือไปจากจุดส่วนรวมคือกายกับใจของเราพูดไปที่ไหนก็เข้ามากับเคือนกายกับจิตของเราซึ่งมีอยู่ในบัตรนี้และเป็นตัวที่จะต้องทำผิดทาถูก เป็นตัวเศร้าหมองผ่องไสอยู่กับนี้ทั้งนั้นธรมมาสติให้ตั้งสติตามประโยคความเพียรของตนตนได้บำเพ็ญเพียรได้ถืออันใดเป็นอารมณ์นานาพิจารณาในสภาวะธรรมอันใดให้มีสติอยู่รอบด้านเรียกว่าธรมมาสติรอบทุกอาการที่เคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเรามีเรียกว่าธรมมาสติ สมาสมาธิเรียกว่าสมาธิที่ชอบธรำเป็นอย่างไรสมาธิที่ชอบทำนั้นสัมประโยชน์ด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างหัวต่อหรือไม่ใช่สมาธิอย่างติดแน่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพิจารณาในทางด้านปัญญาเห็นว่าสมาธินี้เป็นทำเลือดทำประเสริฐจนเกิดความตำหนิติโทษในปัญญาหาว่าเป็นของเก้ไปเสียสมาธิประเภทนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิ ไม่ใช่เป็นสมาธิที่จะทําบุคคลให้พ้นจากทุกข์สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์นั้นพิจารณาในหลักหลักสภาวธรรมหรือในบทธรรมบทใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้กําหนดเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมจิตใจท่องตนจนกิตกลายลงเป็นสมาธิได้ในสมาธิประเภทใดๆก็ตามความรู้สึกในความว่าจิตท่องตนมีเป็นสมาธิหรือความรู้สึกว่าจิตท่องตนมีความเป็นหนึ่ง มีความรู้อยู่ด้วยสติเช่นนี้จัดว่าเป็นสมาธิที่ชอบไม่จะไม่จะไม่ใช่เป็นสมาธิแบบหัวต่อสมาธิแบบหัวต่อ น, นั้นเป็นอย่างไรรวมลงไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรไม่ทราบว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือไม่ทราบว่าจิตมีความสงบหรือไม่สงบเหมือนกับคนตายแล้วพอตื่นขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาจึงไม่ทราบว่าจิตต้องมารลึกย้อนหลังว่าจิตต้องตนรวมหรือจิตต้องตนไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบมีเรียกว่าสมาธิหัวต่อ รวมลงไปแล้วเหมือนกับหัวต่อไม่มีความรู้สึกสมาธิประเภทนี้พึงพยายามละเว้นให้ห่างไกลแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าให้ต้องพยายามผลักดันออกพยายามแก้ไขเสียใหม่สมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมานั้นที่ชอบนั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปกับด้วยบทแห่งธรรมหรือเป็นปก็ได้สภาวะธรรมมีความรู้สึกสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับ บ, บทใดธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามหรือสภาวะธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามจิตได้ อาศัยอยู่กับทําบทนัานๆมีลมหายใจเป็นต้นแล้วรวมลงเป็นสมาธิมีความรู้สึกอยู่ในความรวมของตนมีความรู้สึกอยู่ในความรู้ความเป็นหนึ่งของตนเสมอไปเรียกว่ามีสติอยู่ป ร, ประจําอยู่กับองค์แห่งสมาธินั้นนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วควรจะพิจารณาเรื่องปัญญาตามสภาวะธรรมส่วนใดๆก็ตามให้พึงพิจารณาเป็นธรรมัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเสมอกับปัญญากับ อ, อ สติกับปัญญาให้เป็นธรรมทั้งพันเกี่ยวเนื่องกันไปเสมอในทางด้านสมาธิอย่าปล่อยให้สมาธิเดินเหินไปอย่างไม่มองหน้ามองหลังไม่คํานึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นรวมได้ทั้งวันก็ตามได้ทั้งคืนก็ตามเห็นว่าตัวประเสริตตัวเลิอดโลกเพราะอํานาจแห่งสมาธิมี้ธรรมแค่เดียวเท่านี้เป็นธรรมที่จะสามารถพ้นทุกไปได้ถ้าเราคิดอย่างนี้โดยถะายเดียก็จัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วนี่ นี่หลมากทั้งแปดที่กล่าวมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทุกข์ในสมู่ไทยนี้โลดมาก ส, มาสัมมาสังกปคือหมายกันว่าความไม่เบียดเบียนดําริชอบคือดําริในความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองด้วยไม่หาสิ่งที่จะมาเป็นพิษมาเผาโดนตนเองเนียกว่า เนคขมมะคิดไปทางออกเสมอปรุงเรื่องอะไรก็ปรุงเพื่อแก้ไขตนเองคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็คิดเพื่อจะแก้ไขตนเองแม้จะปรุงเป็นเรื่องสมุทยขึ้นมาเรื่องสัมมาสังกรประคือความดำดีชอบให้ตามกันเสมอตามเพื่อความเจ้าออกจากทุกขในวตาสงสารนี้เสมอไปนี่ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิพึงทราบประเป็นธรรมหลายชั้นแล้วแต่บุคคลผู้จะนำไปประพฤติปฏิบัติกลายเป็นธรรมชั้นนั้นๆขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วทำทั้งตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี้ไม่เลือกม่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสแม้จะเป็นธรรมทุกๆชั้นในบรรดามมักทั้งแปดนี้ก็ดี ก็ไม่ยมมากใครๆผู้ใดเป็นผู้สามารถนำมรรคทั้งแปดนี้เข้าไปบำรุงเข้าไปรักษาเข้าไปประพฤติปฏิบัติในกายวาจาใจของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับจากมรรคทั้งแปดนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าวิมุตมติยาทัศนะศีลก็มีอยู่ในมรรคนี้สมาธิก็มีอยู่ในมรรคนี้ปัญญาก็มีอยู่ในมรรคนี้ เรียกย่อว่าศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดสําหรับที่จะเป็นลูกกุญแจลูกกุญแจไขตู้พักไกรปีดกซึ่งอยู่ภายในตนเองและเป็นเครื่องสังหารตัวสมูทยัยอันเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงนั้นให้ล้มละลายหายสูญไปไม่มีอันใดเหลือ เพราะอํานาจแห่งมรคคือศีสมาธิปัญญานี้แล้วกลายเป็นวิมุตต์ความหลุดพ้นขึ้นมาที่หัวใจของเราผู้นั้นเมื่อวิมุตต์คือความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นแล้วความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนั่นเองนี่ท่านเิจักว่าวิมุตติยานาทัศนะแต่บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายย่าพึ่งเห็นว่าวิมุตต์คือความหลุดพ้นกับวิมุตติยานาทนะนี้ แยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนหรือแยกกันไปอยู่การทำหน้าที่คนละขณะไม่ใช่อย่างนั้นพอศีลสมาธิปัญญามีกาลังเต็มที่ตัดเหมือน ก, นกันกับเราตัดไม้โดยขวานพอขวานตัดไม้ขาดตาเราก็เห็นชัดว่าไม้ท่อนนี้ขาดแล้วโดยขวานในขณะเดียวกันใจของเราก็รู้ชัด ว่าไม้ท่อนนี้ขาดและต้นนี้ขาดและด้วยขวานนี่มีลักษณะเช่นเดียวกันพออำนาจของศีลสมาธิปัญญามีกำลังเต็มที่แล้วตัดกิเลส อ, อาสมะตั้งแต่ส่วนยากส่วนกลงจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดที่สุดให้หลุดพ้นไปจากใจใจกลายเป็นนิมุติขึ้นมาเช่นเดียวกันกับม้าที่ขาดเพราะอำนาจของขวัญทัศะนะญาณทัศนะ ทั้งรู้ทั้งเห็นในความบุบพ้นของตนได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันแต่ท่านก็แยกประเภทว่าขวานนี่ถ้าจะเทียบว่าขวานว่าไม้อืเห็นกับรู้นั้นตาก็เห็นไม้ที่ขาดเพราะอานาจของขวานใจก็รู้แท้ที่จริงตากับใจกับความรู้นั้นมันขึ้นในขณะเดียวกัน เรื่องของวิมุตติยาทัศนะกับวิมุติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นภายในใจเท่านั้นความรู้ความเห็นก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆเดียวพร้อมๆกันเรียกว่าทำหน้าที่ในขณะเดียวกันต่อจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นในศีลสมาธิปัญญาปัญญาว่าเป็นมรรคผลนิพพาน และไม่ได้ถือยืดมั่นถือมั่นว่าวิมุตติวิมุตติยาทัศนะว่าเป็นตนเป็นของตนเห็นตามเป็นจริงวิมุตตก็ต้องเป็นนิมุตต์อยู่ทนั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ศิญสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นศิญสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้อีกเหมือนกันนี่ต่างอันก็ต่างจริงเครื่องมือก็ก็จริงอยู่สำหรับเครื่องมือจริงที่ได้รับเป็นผลจากเครื่องมือก็จริงอยู่ก็าจะอยู่เฉพาะสิ่งที่เป็นผลอันปรากฏขึ้นจากเครื่องมือ เราผู้เป็นเจ้าของก็เป็นความจริงอยู่สภาพนีงในความเป็นเจ้าของแห่งสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าเป็นธรรมที่หมดปัญหาในเมื่อได้บำเพ็ญ ต, ตนของตนด้วยความสนใจกระพติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นที่อธิบายมาแล้วในวันนี้ ยกองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาและเป็นชนะองค์แรกพระองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกมาเป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลายได้ขีเขยมทิดคือข้อปฏิบัติดัดกายวาจาใจขั้นตนให้เป็นไปตามแถวนั้นๆโดยไม่ลดละผลที่จะพึงปรากฏ อย่างไรเราทั้งหลายไม่ต้องสนใจว่าเมื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ของใครแล้วเรื่องวิมุตติิมุตติยาธุานะอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาจะเป็นของใครได้หล่านอกจากจะเป็นของเราคนเดียวผู้พืชปฏิบัติด้วยความสนใจเท่านั้นวิมุตติแรียวิมุตติยาธุานะซึ่งเป็นตัวพระนิพพานนั้นจะไม่ใช่ของใครเป็นของพวกเรา ทุกๆ ท, ท่านบรรดาผู้มีความสามารถจะทำได้อย่างนั้นเพราะเห็นนั้นในธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในวันนี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงอยากเข้าใจว่ามีนอกเหนือไปจากกายกับใจและมีนอกเหนือไปจากอํานาจวาสนาข้อวัดปฏิบัติของเราซึ่งพยายามทําอยู่ณนะบัดนี้และในวันนี้ให้ถือว่าธรรมทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสมควรแก่อุปนิสัยวาสนาความสามารถ การประพฤติปฏิบัติของเราทุกท่านดังนั้นในอวาสาแนแห่งรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงน้อมธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวในวันนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตนทั้งการดำเนินในส่วนเหตุทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากเหตุอันดีนั้นคือบิมุตตานิพานให้เป็นของท่านทั้งหลายทุกๆท่านเธอ